อ้าวอยู่ในความสงบพี่น้องลูกหลานวันนี้รู้สึกว่าเห็นจัททา ญ, ญาติโยมแล้วก็เห็นครูบาอาจารย์พรสสงแล้วก็อบอุ่นเหลือเกินวันนี้อำเภอนามโสมนายุงสีเชียงใหม่บ้านพือสังคมเห็นแล้วครูบาอาจารย์ตลอดถึงพี่น้องประชาชนสมกับ เจ้าของบริษัทของเรานี่กว้างขวางจริงๆนะเพราะนั้นวันนี้ก็ได้มาตักบาทหลวงพ่อเองรับบาทไม่สุดสายอีกต่างหากเพราะว่าหาคนรับบาทไปไห้มันเต็มบาทมนุษย์จะใส ย, ยังไงจะเอาพาจีวรโถกไปอีกห่อไปอีกก็ยังไงอยู่เลยล้นบาทนกันล้นบาทไม่มีใครรับบาทก็เลยเดินออกมาฮะ เออพอไะเพชรพอใครพอพี่น้องประชาชนมากสรุปแล้วก็คือผู้ใจบาทก็มากพระสงฆ์ก็มากวันนั้นวันนี้เห็นแล้วก็ถือว่าเป็นวันมงคลมหามงคลอย่างยิ่งวันนี้เป็นวันที่ย1สบดตุลาคมพุทธศักราช2558งานวันนี้กำหนด การงานทำบุญเปิดสำนักงานใหม่บริษัทเซนเซนทันอากโคลจำกัดร้านโลกเกษตรเก่าของเราน ะ, ะคือคนนี่นะเท่าแก่กับคุณโยมน่นะมาอยู่ที่อำเภอน้ำโสมนมนา น, เ, นเลขที่สองสองีอง่ง 2, หมู่ที่สองตำบลนาจาน ตำบลีสำราญอำเภอน้ำโสมจังหวัดอุดรธานีแล้วกันพุทธที่21ตุลาคม2558แล้วก็นิมนต์วันนี้กับพระสงฆ์ที่มาร่วมงานมีท่านเจ้าคณะจังหวัดอุดรธรรมยศแล้วก็หลวงพ่อคงฤทธิ์ที่เป็นครูบาอาจารย์ของพวกเราหลวงปู่อุทัยแล้วก็หลวงพ่อชาลี หลวงพ่อถาดหลวงพ่อถาดหลวงพ่ อ, เ, อ, อเจ้าคณะอำเภอนามโสมเจ้าคณะจังหวัดน้องคายมาพร้อมนะพี่น้องศรัทธาญาติโยมวันนี้เห็นครูบาอาจารย์เข้ามาแล้วก็อบอุ่นครบท้วนบริบูรณ์ที่พวกเราได้มาทำบุญตักบาตรแล้วมากราบคาระวะครูบาอาจารย์วันนี้มาพร้อมหน้าพร้อมตากันต่อไปนี่ก็ เมื่อพวกเราถวายพระทหารเสร็จเรียบร้อยแล้วพระสงฆ์ทั้งมวลทั้งหมดจะได้อนุโมทนาให้พรกับพวกพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าภาพนะ เ, เจ้าภาพเป็นผู้นําแล้วก็พี่น้องประชาชนทั้งหลายได้มาร่วมกันทําบุญพร้อมกันจะหาได้ที่ไหนเพราะว่าพวกเราจะนิมนต์เวลาตักบาตรใจบาตรก็มี พระสงฆ์กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแต่บัดนี้ไดมาร่วมมารวมกันเป็นหลายร้อยองค์พวกเราทำบุญหลายร้อยองค์ในวันนี้ถือว่าเป็นวันมงคลมหามงคลอย่างยิ่งนี่แหละพี่น้องประชาชนพวกเราท่านทั้งหลายได้มาเห็นสํานักงานหรือว่าร้านค้าแห่งนี้แล้วนะต่อไปคงจะมาบริการ แต่ถึงยังไงหลวงพ่อก็คิดว่าเจ้าของห้างร้านเนี่โรคเกษตรของเราท่านก็มีน้ำจิตน้ำใจอยู่แล้วกับพี่น้องประชาชนอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นเห็นไหมเนี่ย เ, เห็นท่านเป็นคนอของพี่น้องประชาชนเป็นคนของพระสงฆ์เลยแหละท่านนิมนต์ครูบาอาจารย์มามากถึงขนาดนี้ไม่ใช่จะมาทำได้ง่ายๆนะ การทำบุญอ ย, อย่างวันนี้นะ่ะไม่ได้ <c oughs> ทำได้ง่ายๆท่านเป็นคนกว้างขวางรู้จักครูบาอาจารย์มามากและการรู้จักพี่น้องประชาชนทุกโมูเหล่าไดมารวมมาร่วมกันได้ทำบุญในวันนี้ถือว่าวันนี้เป็นวันมงคลมหามงคลอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายได้มาอยู่ในละแวกนี้นะ อยู่ในละแวกอำเภอน้ามสมนายวงบ้านผือเออกะถือว่าพวกเราถึงจะอยู่ในป่าดงพงไพยห่างไกลจากความเจริญแต่ก็ครูบาอาจารย์าสสงอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็น อ, อบอุนอ่นเป็นแหล่งธรรมะเป็นแหล่งที่ได้รับความร่มเย็นเป็นสุขขอให้พี่น้องประชาชนสัทธาญาติโยมทุกหมเหล่า ควรจะภาคภูมิใจที่พวกเราได้เกิดมาในพื้นแผ่นดินไทยในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาท่านบอกว่าปฏิรูปรเทสวาโซจะปุเพจกตะปุญญตาอัตตสัมมาปณิทิคือความแปลและความหมายท่านบอกว่าปฏิรูปรเทสวะโซจะพวกเราเกิดมาในพื้นแผ่นดินไทย เป็นเมืองพระพุทธศาสนาและกับพระมหากษัตริย์เป็นผู้ทรงคุณนธรรมและกับพี่น้องประชาชนาก็ไม่ได้เบียดเบียนกันจนถึงทําให้เดือดร้อนวุ่นวายเหมือนกับต่างประเทศจนยกย้ายหนีออกจากประเทศตัวเองอย่างพวกเราท่านงหลายได้เห็นได้ยินนะในโลกปฏิรูปประเทศแล้วก็ดินฟ้าอากาศก็ไม่ได้ฆ่าพวกเรา หนาวก็ไม่หนาวเกินไปร้อนก็ไม่ร้อนเกินไปแผ่นดินก็ไม่ไหวน้ำก็ไม่ท่วมก็พออยู่ได้ตามอัตภาพมีความสุขตามอัตภาพแล้วก็ข้าวน้ำโภชนาะอาหารพวกเราก็ไม่อดไม่อยากไม่เหมือนต่างประเทศบางแห่งที่พวกเราได้เห็นในสื่อต่างๆหัวโตๆท้องใหญ่ๆขารีบๆตัวดำๆพวกเราก็ได้เห็นฮะ แต่เมืองไทยของเรารู้สึกว่าสมบูรณ์เพราะนั้นพวกเราถือว่าเป็นผู้มีบุญได้มาเกิดในพื้นแผ่นดินไทยแห่งนี้เรียกว่าปฏิรูปรเทสวาโซจ่าปุเพจักตาปุญญาตาพวกเราคงจะได้ทำบุญไว้ในอดีตน ะ, เ, ะเมื่อเราพวกเราได้ทำบุญอย่างคราวนี้ละครนี้ล ะ, ะพวกเราก็ตั้งจิตอธิษฐานว่าสาธุเนอร์ผู้ข้าเกิดพบมาในพบใชาติใด ขอให้ได้พบพระพุทธศาสนาขอให้ได้พบค น, คนผู้มีศีลมีธรรมอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันขอให้ข้าน้ำโพชนาะอาหารสมบูรณ์บริบูรณ์ให้มีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมที่ดีต่อกันอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันพวกเราก็คงจะตั้งความปรารถนาไว้ในอดีตชาติที่เมื่อเราได้ทาบุญกับครูบาอาจารย์พระสงฆ์ในครั้งพุทธในในครั้งเก่าแก่นะ ในเมื่อเราตั้งความปรารถนาไว้แล้วนะเราก็ได้มาเกิดในพื้นแผ่นดินไทยอย่างที่พวกเราได้มาเกิดอยู่ในขณะนี้พวกเราคงมีบุญในอดีตนะสรุปแล้วว่าปุปเพจั ก, กะตะปุญญาตาด้วยบุญกุศลที่พวกเราได้ตั้งได้ตั้งใจได้ทำไว้ในอดีตนะจึงได้มาเกิดในในพื้นแผ่นดินไทยแห่งนี้และก็อัตตะสัมมาปณิเต เมื่อเรามาเกิดในพื้นแผ่นดินไทยแห่งนี้แล้วด้วยบุญกุศลเก่านำส่งมาเกิดนะแต่พวกเรามาเกิดในพื้นแผ่นดินไทยพวกเราตั้งอยู่ในความประมาทที่นี อ, อไม่ได้ทำประกอบคุณงามความดีสิ่งไหนที่มันชั่วเสียหายพวกเราก็ทำให้เกิดขึ้นในพื้นแผ่นดินแห่งนี้ที่เราเกิดขึ้นมาอ่อาออจัดตัดชีวิตบ้างไม่มีศีลไม่มีธรรมบ้าง ทำมาค้าขายสิ่งที่ผิดกฎหมายบ้างทำให้คนอื่นเดือดร้อนบ้างทั้งอบายมุกทุกอย่างเราทำหมดทั้งคดทั้งโกงทั้งปนทั้งจีทำความเสียหายเมื่อเราเกิดขึ้นมาแล้วแปลว่าเราทตั้งเราตั้งตนไว้ไม่ดีในเมื่อเราตั้งตนไวน้ไม่ดีอย่างนีนะ้เมื่อเราตายไปแล้วนะเราจะต้องไปตกนรกล่ะท่นีไปสัตว์ที่เป็นฉัตรติราาน ไปเป็นช้างม้าวัวควายหมูหมาเป็ดไก่เป็นได้ทางนั้นเพราะเห็นไหไเพราะเราตั้งตนไว้ไม่ชอบเพราะนั้นขอฝากไว้กับคณะัท ธ, ธาญาติโยมลูกหลานทุกคนนะนี่แหละในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าปฏิรูประเทสวาโซจะอุปเปจกตะปุญญาตาอัตตะสัมมาปณิทิจะให้พวกเราได้เกิดมาในพื้นแผ่นดินไทยแล้วให ตั้งตนไว้ชอบสิ่งไหนทีสิ่งไหนที่มันไม่ดีอย่าคิดอย่าทําอย่าพูดในเรื่องนั้นแต่เมื่อเราคิดทาพูดทิ่งที่มันไม่ดีกรรมไม่ดีนะจะตามสนองอัออกกตังดุ ก, กตงังเสโยปัจฉาตะปะติดุกตังกรรมชั่วคิดชั่วทําชั่วพูดชั่วอย่าทำเสีเลยดีกว่าเมื่อเราคิดชั่วทําชั่วพูดชั่วกรรมชั่วให้ผล ตนเองนั้นและจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังให้ฟังเอาไว้อันนี้คือพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้ากรรมชั่วนั้นคืออะไรครับหลวงพ่อนะคิดชั่วนั้นคืออะไรคิดโลภอยากจะได้ของเขาคิดพยาบาทปองร้ายเขาเห็นผิดจากทํานองคลองทำอันนี้เปรียบว่าคิดชั่วนะเอคิดเห็นผิดจากทํานองคลองทำอันนี้กว่างขวางนะให้พวกเราตามดูเถอะว่าคิดผิดเอสิ่งที่ออกทํานองครองทำ แล้วก็ทำชั่วคืออะไรคิดฆ่าคนอื่นเขาคิดขโมยคนอื่นเขาเคิดประพฤติ ผ, ผิดล่าล่าประวงในสามีภรรยาคนอื่นเขาคิดโกหกเขาแล้วก็ดื่มกินเหล้าเมายาคัญชายาฝิ่นเฮโรอีนอันนี้เลยแปว่าทำชั่วนะพูดชั่วเหรอหลวงพ่ อ, อพูดบทพูดสอเสียดพูดคำหยาบ พูดเพื่อเจอ้อพูดหาสาระมประโยชน์ไม่ได้พูดยุแยงให้กระแทงให้รั่วให้คนแตกแยกสามัคคีกันอันนี้ประวัติพูดไม่ดีคถ้าคนพูดไม่ดีผิดกฎหมายตกนรกอีกเหมือนกันเพราะนั้นคิดดีอย่างที่หลวงพ่อได้พูดทดําดีหลวงพ่อได้พูดแล้วก็พูดดีหลวงพ่อก็ได้พูดให้ฟังนะเพราะนั้นขอให้พวกเราทุ ก, ทกคนทุกท่านนะ พวกเราได้รับการศึกษามาถึงขนาดนี้แล้วอายุถึงปูนนี้แล้วคิดดีรู้ไหมทำดีรู้ไหมพูดดีรู้ไหมนี่แหละพวกเราควรจะทบทวนนะถ้าคนไม่ดีเนี่นะให้พวกเราถามดูสิคุกตรางเมืองอุรานี่กงขังอยู่ในอำเภอกกงขังอยู่สถานีตำรวจนี่เข้าขังเข้าขังไม่ได้ขังคนดีนะลูกหลานนศะรัทธา ญ, ญาติโยมเข้าขังคนไม่ดี ทาไมจึงว่าไม่ดีเพราะคนผิดศีลห้าคนที่ไม่มีศีลห้านะเขาเอาไปขังนะถ้าคนมีศีลห้าแล้วเขาจะไม่เอาไปขังเราพบเป็นคนดีเพราะฉนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะหลวงพ่อเลยอยากจะให้พวกเราไปถามดูสิว่าคนที่ติดคุกนะั่นะเข้ามากี่คนวันนี้เขาทำอะไรบ้างให้เราจดแล้วก็จดชื่อแล้วกับพฤติกรรมที่เขากระทานะที่เขาเข้าคุกนะ หลวงพ่อพูดได้เลยว่าเขาผิดสินท่าทางนั้นคนที่ไม่มีสินท่าะคนเขาเอาไปขังคุกไว้นะคนที่มีสินท่า เ, เขาจะไม่เอาไปขังคุกขังตารางนะพี่น้องลูกหลานจะตไทยญาติโยมนี่แหละอันนีคค้คือคนชั่วความชั่วทำคนชั่วทําชั่วอย่าทํำเลยดีกว่าเมื่อเราทําลงไปแล้วกรรมชั่วให้ผลตนเองนั่นแหละจีรดร้อนเมื่อภายหลัง แต่ลุงพ่ออยากจะเน้นเน้นเรื่องสีลข้อที่หนะสุราเมีรยามัช้าประมาการดื่มสุราและเมลัยเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทคําว่าสุราคือเหล้าเมลัยคือเบียร์แล้วก็คั น, คนชายาฝิ่นเฮโรอีนโคเคนทุกอย่างถึงจะมีชื่อและไม่มีชื่อก็าตามถ้านเราดื่มหรือเสพเข้าไปกินเข้าไปแล้วขาดจติต นั่นแหละไม่ดีทั้งนั้นแปลว่าของหมื่นเมาเมื่อดื่มเข้าไปเสียเข้าไปขาดสติคนที่ขาดสติแล้วทำความชั่วด้ทุกอย่างนี่ยฆ่าใครก็ได้ขโมยใครก็ได้ลาลาบละลวงสามีภรรยาของใครก็ได้โกหกใครก็ได้เพราะคนขาดสตินะให้พวกเราศึกษาดูที่ว่าในสื่อต่างๆแต่ละวันนั่นอ่ะโดยมาก โดยมากมีแต่ขาดทติและกระทาความเสียหายนะเพราะฉะนั้นขอฝากไว้กับพวกเราทุกๆ ท, ท่านหลวงพวอ่อก็เลยเปรียบเทียบว่านะอาคารหลังนี้แหละศาลาหลังที่พวกเราอาศัยอยู่ในขณะนี้ละ่ะสุราในเหมือนกับหลังคาศาลาสังกสีนะก็สัง ก, นะกสีหรือกระเบื้องมุงอาคารหลังนี้ถ้าอาคารหลังนี้ไม่มีสังกสีมุงไม่มีกระเบื้องมุง พวกเราก็มาอยู่อาศัยเวลาแดดออกมาก็ร้อน เ, ออเวลาฝนตกมาก็เปียกเสียหายนี่แหละสุราข้อข้อสุราก็เช่นเดียวกันนะพี่น้องลูกหลานนะให้พวกเราสังเกตถ้าคนขาดสติเสีอย่างเดียวนะเหมือนกับคนที่อาคารไม่มีหลังคาเนะต่คนขาดสติแล้วถึงจะมียศฐานบรรดาศักดิ์สูงสงขนาดไหนก็เถอะนะ ถ้าคนขาดสติแล้วเสียหายทั้งหมดเลยเพวกคนเป็นบ้าเน่ยสรุปก็คือคนเป็นบ้าถ้าคนเป็นบ้าแล้วอนะถึงจะมีเงินคําทรัพย์สมบัติขนาดไหนก็เสียหายหมดเพราะอะไรเพราะคนขาดสตินะเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราท่านทั้งหลายให้ซํานึกไว้อย่าให้ตัวเองขาดสติถ้ามีสติสัมปชัญญะอยู่กับตัวเองอยู่ตลอดเวลานั่นแหะเลิศประเสริฐที่สุดนะขอขอฝากไว้กับให้ขอฝากไว้กับลูกกับหลานทุกคนนะ และเอกส่วนหนึ่งเทนี้หลวงพ่อพุทธเทไลผัวหลวงพ่อก็ย้ําจุดนี้ว่าตายแล้วไม่สูญนะคณะสัตายาญาติโยมลูกหลานนะตายแล้วเกิด อ, กนะอีกเนาตายแล้วไม่สูญที่ไม่สูญนั่นคืออะไรให้พวกเราศึกษาดูให้ดีน ะ, ะให้ศึกษาในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายลุงปู่มั่นของเรานี่พวกเรารักเคารพนับถือเลื่อมใสเนี่ยให้ถามดูซิว่า เวลานั่งภาวนาจิตใจเข้าสู่ความสงบแล้วพวกเราจะรู้ได้ด้วยตนเองไม่ต้องถามใครเลยนะ เ, เวลาจิตสงบนะเราจะรู้ได้ดว่าร่างกายเหมือนกับรถจิตใจเหมือนกับโซโซเฟอร์รถโตโซเฟอร์รถนั่นแหละจะไปหาเกิดในภพภูมิต่างๆแต่ส่วนร่างกายเอาไปเผาไฟทิ้งแนๆ่ๆไม่เป็นอย่างอื่นนั่นแหละถ้าว่าทำจิตใจให้สงบลงไปแล้วพวกเราจะรู้ได้ด้วยตนเอง ร่างกายกับใจใจกับกายเนี่ยนามปรธรรมากับรูปประธรรมรูปประธรรมคือร่างกายนามปรธรรมาคือจิตใจขอขอา น, น, นั้นขอให้ฝากไว้กับพวกเราท่านทั้งหลายเน้ออย่าสิ่งที่มันชั่วและอย่าทาอย่าคิดอย่าทาอย่าพูดถ้าคิดทําพูดในสิ่งที่มันชั่วแล้วความความชั่วให้ผลตนเองนั่นแหละจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังถ้าเราเกิด เกิดมาแล้วก็ถ้าตายไปแล้วมันไม่ใช่จบเพียงแค่นั้นนะลูกหลานนะเมื่อตายไปแล้วนะ่ะดวงวิญญาณดวงนั้นแต่จะได้รับกรรมคือการกระทาของตนเองเกิดในภพภูมิต่างๆเกิดมาพบน่าชาติหน้าเกาะกรรมนี่จะให้ผลอย่างพรโมคคลานะพรโมคคลาเป็นอัครสาวกของพระพุทธเจ้านะท่านหาเหินเดินฟ้าได้ดาดินบินบนได้แต่ว่าไม่หนีกรรมไม่พ้น กะเหตุไรเพราะว่าในอดีตชาติน่ะท่านเคยฆ่าพ่อฆ่าแม่ของท่านเมื่อพ่อแม่ของท่านตาบอดนะท่านก็ฟังเชื่อฟังคํำพัญญาหรือฟังคําเมียของท่านนะพระโมคคลาในอดีตชาติท่านก็เลยฆ่าพ่อฆ่าแม่จากนั้นท่านก็ตกนรกบกไหมมาไม่รู้กี่ภพกี่ชาติมาถึงชาตินี้นะท่านได้เป็นอัครสาวกของพระพุทธเจ้าสาวกเบื้องซ้ายนะ เป็นผู้มีฤทธิ์มีเดชเหาะเหินเดินฟ้าได้อีกต่างหากแต่ผลที่สุดมาถูกโจรฆ่าที่เมืองกรุงราชคฤห์ที่เมืองการศีลากรุงราชคฤห์เกตแขวงกรุงราชคฤห์พระสงฆ์ทั้งหลายคนทั้งหลายก็งงกันเลยเอ๊ทาไมพระโมคะลาเป็นคนดีจริงๆแต่ทําไมจึงมาถูกถูกกรรมถูกถูกฆ่าอย่างนี้เอ๊พระสงฆ์ทั้งหลายคนทั้งหลายก็กล่าวขานกัน ไปกราบทูลถามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกว่ า, วาโมกคลาตายสมควรแก่กรรมที่ตนได้กระทําไว้ในอดีตพระสงฆ์ทั้งหลายก็เลยกราบทูลถามพระพุทธเจ้าว่ากรรมอันไหนหนอพระเจ้าข่านพระองค์บอกว่าเพราะโมกผโมกขาลาเนี่ยเคยฆ่าพ่อแม่มาในอดีตแต่ชาติเพราะนั้นท่านก็เลยได้รับกรรมมาโดยสม่ำเสมอชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของท่านแล้วท่านได้เป็นพระทหารแล้วท่านไ ม, ไม่ไม่เกิดอีกแล้วกรรมมันั้นแปลว่าให้ ให้ผลสำเร็จแล้วเป็นอโหสิกรรมแล้วจ้าแปลกรรมของพระเทวทัฒของพระโมกคลาเพราะว่าท่านได้สำเร็จเป็นพระหรหันนี่แหละพวกเราท่านทั้งหลายให้ฟังเอาไว้ว่าตายแล้วไม่สูญนะพี่น้องลูกหลานเพราะฉะนั้นกรรมดิงกรรมที่สิ่งที่มันไม่ดีอย่าทำถ้าทำไปแล้วกรรมกรรมชั่วให้ผลพวกเรานั่นแลจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังการกล่าว สโมโตรในยคกฐาปารบงานวันนี้ก็เห็นว่าสมควรกับการเวลาด้วยอำนาจคุณพัะีรัตนตรัยพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายด้วยบุญบารมีของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาทั้งหลายขอให้มาคุ้มครองญาติศรัทธาญาติโยมพี่น้องลูกหลานจงประสบแต่ความสุขความเจริญ